การเห็นและการรู้ความคิดเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน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 เคยชินที่จะขาดสติไม่เคยชินที่จะมีสติแม้แต่อยู่คนเดียวก็ตามไม่มีอะไรทํายิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งไม่มีอะไรทํานี่เราก็ต้องหาเรื่องคิดลนะ่ะ ค, คิดนู้นคิดนี้บางทีใจมันสบายสบายอยู่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแต่พอหาเรื่องคิดอ่ะมันก็เท่ากับหาเรื่องทุกขนะ์ะใจต้องเป็นทุกข์ต้องวิ่งไปวิ่งมาเพราะความคิดนี่แหละ ใหนน้เป็นความเคยชินให้เราทำงานเข้าใจว่าอ๋อไม่เรื่องธรรมดานะเรื่องความคิดมากอันนี้เรื่องธรรมดาที่นี้ว่าเรามีวิธีการที่จะออกจากความคิดหรือมีสติขึ้นบ่อยอครั้งคือจะสามารถพัฒนาการจริตสติได้มากขึ้นกว่าเกา่าบางทีเราต้องอาศัยรูปแบบต้องอาศัยรูปแบบสักหน่อยคือต้องมีการฝึกหัดมีแบบฝึก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 ต้องหาเวลารูปแบบนี่ต้องอาศัยเวลาเปลี่ยนตัวเราอยู่คนเดียวในช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติการมารู้ลมหายใจลมหายใจนี่ก็เป็นรูปแบบนะหายใจเข้านี่ก็รู้สึกตอนที่หายใจออกนี่ก็ให้รู้สึกตัวไปด้วยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เรืราจะเคลื่อนไหวมือตามจังหวะ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 มันเกิดความชำนาญเกิดความเคยชินจากการขึ้นต้นขั้นพื้นฐานแล้วต่อไปเราก็จะเกิดความชำนาญจะแยกกิ่งสาขาออกไปอันนี้พูดถึงการปลีกต้นไม้นะการจึงสติก็เหมือนกันถ้่เรายัางไปไม่ได้เราต้องอาศัยรูปแบบขั้นต้นๆเนี่ยลองทำดูสิก่อนบางทีมันข้ามขั้นไปมันก็ฟุ้ง ม, มากกว่ามีพวกนก็เคยนะ ปฏิบัติแบบข้ามขั้นตอนหรือว่าแต่การปฏิบัติอะไรแม้แต่การเรียนหนังสือเนี่ยผมเริ่มต้นจากเรียนหนังสือในเรือเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สอนเรียนอ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารได้ก็ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าโรงเรียนพอ่าเข้าโรงเรียนเนี่ยคุณครูเห็นว่าอ๋นี่อ่านออกเขียนได้แล้วนี่มาต้องเรียนป .1 แรอกขึ้นไปเรียนป .2 เลยโอเราก็ดีใจเนาะ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 มาดีตอนเรียนจบเนี่ยน่าจะมีอายุขึ้นมาหน่อยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอมาฝึกเจริญสติเนี่ยมาศึกษาหลายวิธีก็มาชอบใจวิธีหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยเน้นให้ทําความรู้สึกตัวมากๆเอากกายที่เคลื่อนไหวนี่แหละมาเป็นฐานที่ตั้งของสติมันรู้สึกตัวมากๆาบ่อยๆแล้วก็ไปเห็นจิต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 แต่ถ้าเราเห็นความคิดเราก็จะไม่เข้าไปอยู่ในความคิดเมื่อเราเห็นงูมันเลื้อยมาเราก็ไม่ได้ไปเป็นงูเราเห็นงูล้วก็หลบหลีกได้เราเห็นความคิดเราก็ทิ้งมันละแล้วกลับมารู้ที่กายเคลื่อนไหวมารู้กายเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันคิดอีกเราก็เห็นแล้วก็ทิ้งมันกลับมารู้ที่กายเคลื่อนไหวนะการที่เราเห็นความคิด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 รู้กายเคลื่อนไหวเริ่มต้นธรมธรมดาธรรมดามันก็พัฒนาขึ้นมาเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกขของรูปเห็นทุกของนามเห็นความคิดการเป็นแบบอะไรพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายศทสามทัทนใดเวลาเจริญสติแล้วมันฟุ้งมากมันหลงนานเนี่ยเราลองมาอาศัยรูปแบบรูปแบบอะไรก็ได้ที่เราชอบใจคนที่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 ที่จะเข้าถึงธรรมผลสุดท้ายธรรมเท่านั้นที่จะเข้าถึงธรรม